ปาจิตติสุราปานวักที่หกสิกขาบทที่หนึ่งว่าเป็นปาจิตติเพราะดื่มสุราและเมรยัยในที่นี้ควนรู้อธิบายว่าน้ำอันมีรสหวานเจืออยู่ทุกอย่างที่เป็นเองเช่นน้ำตาลสดที่เขาปรุงขึ้นก็ตามเมื่อล่วงเวลาแล้วรสหวานนั้นกลายเป็นรสเมาแรงหรืออ่อน ตามรสหวานที่เจออยู่มากหรือน้อยนี้เรียกว่าเมไรัเป็นของที่เขาทำด้วยหมากหรือดองเมรนั้นเขากลั่นสกัดเอาน้ำออกเพื่อให้รสเมาแรงขึ้นตามแต่จะกำหนดว่าเท่าไรเป็นพอดีนี้เรียกว่าสุรารวมทั้งสองอย่างนั้นเรียกมัชชะแปลว่า น้ำยางผู้ดื่มแล้วให้เมาตัดสั้นว่าน้ำเมาแต่ในสิกขาบทนี้เรียกตามประเภทไม่เหมือนในที่อื่นอาบัตในสิกขาบทนี้ท่านว่าเป็นอจิตกะคือแม้ไม่จงใจทาก็เป็นอาบัตเพราะไม่มีคำบ่งเจตนาไม่เหมือนสิกขาบทของสัมมนเนณเณรและข้ารือหั ปลายิกษุแม้สำคัญว่ามีใช่น้ำเมาดื่มเข้าไปก็คงเป็นอาบัตของอันมิใช่น้ำเมาแต่มีสีกลิ่นรสดุดน้ำเมาเช่นยาดองบางอย่างไม่เป็นวัตถุแห่งอาบัตน้ำเมาที่เจอในแกงในเนื้อหรือในของอื่นเพื่อชูรสหรือการเสียแต่เล็กน้อยไม่ถึงกับเป็นเหตุเมา ชื่อว่าเป็นอภหาริกคือมีก็เหมือนไม่มีฉันหรือดื่มของเช่นนี้ไม่เป็นอาบัตปาจิตติสุราปานวคสิขาบทที่สองว่าเป็นปาจิตติเพราะจีด้วยนิ้วมือ ในคำภีวิพังแก้ว่าภิกษุเป็นวัตถุแห่งปาจิตตีอนุปสัสมบันเป็นวัตถุแห่งทุกกฎแต่ในสิกขาบทกล่าวเป็นกลางไม่ได้ระบุลงไปชัดเพราะคำว่านิ้วมือเอาของเนื่องด้วยกายจี้ท่านปรับเพียงทุกกดเมื่อตั้งเกณฑ์ว่าของเนื่องด้วยกายเป็นวัตถุแห่งทุกกฎ จีบนผ้าท่านก็ปรับเป็นทุกกฎอย่างเดียวกันไม่ได้มุ่งความหัวเราะมีกิจจับต้องกายของกันและกันไม่เป็นอาบัติปาจิตตีสุราปานวักสิกขาบทที่สามว่าเป็นปาจิตตีในเพราะธรรมคือหัวเราะในน้ำ คำในที่นี้คือคําเดียวกับคําว่าธรรมะนะครับธรรมคือกัวเรอะในน้ำนั้นหมายเอาเล่นน้ำในคาพีวิพังถือเอาน้ำพ้นข้อเท้าขึ้นไปเป็นวัตถุแห่งปาจิตตีแต่ไม่สมกับแสดงประโยคไว้ว่าดำลงผุดขึ้นไหวไปเพราะน้ำพ้นข้อเท้าแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็มี ท้าพระเจ้าปรารถนาจะเข้าใจว่าน้ำลึกพอที่จะดำได้มิตรัวลึกพอที่จะว่ายได้สะดวกจึงเป็นวัตถุของปาชิตติอันหนึ่งการเล่นนีเรือท่านกล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งทุกกฎถ้าเพ่งว่าเป็นประเภทหนึ่งจากการเล่นน้ำก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่เป็นกิริยาที่จะต้องป้องกันมากกว่าและให้โทษได้มากกว่า ถ้าจะยกสิกขาบทนี้ขึ้นปรับก็ดูไม่มีอะไรขัดขวางและเมื่อวักน้ําเอาเท้าแกว่งน้ําเอาไม้ขีดน้ําเอากระเบื้องปลาน้ําเล่นท่านกล่าวว่าเป็นทุกกฎชอบแล้วน้ํำตื่นไม่ถึงกําหนดเป็นวัตถุแห่งปาจิตติก็ดีน้ําในภาชนะก็ดีเป็นวัตถุแห่งทุกกฎ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 ปาจิตตีสุราปานวัคศิกขาบทที่สี่ว่าเป็นปาจิตตีเพราะความไม่เอื้อเฟื้อในคำภีวิพังแก้ความไม่เอื้อเฟื้อเป็นสองอย่างไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลอย่างหนึ่งไม่เอื้อเฟื้อในธรรมอย่างหนึ่งบุคคลนั้นมุ่งเอาภูกลาวสั่งสอนกล่าวเตือนธรรมนั้นมุงเอาบัญญัต และรมอันไม่ใช่บัญญัติถ้าอุปสมบันคือผู้อุปสมบทแล้วว่ากล่าวอยู่ด้วยบัญญัติคือข้อพระวินัยแสดงความไม่เอื้อเฟื้อปราล บ, บุคคลก็ดีพระบัญญัติก็ดีต้องปาจิตตีแถ้าว่ากล่าวด้วยข้ออื่นจากพระบัญญัติแม้ว่าผู้นั้นเป็นอุปสมบันท่านว่าต้องเพียงทุกกฏ อนุปะสัมบันคือผู้ยังไม่ได้อุปสมบทได้แก่สัมมเนรและข้ารืหัดท่านกล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งทุกกฎในที่นี้ท่านคงหมายเอาสัมมเนรแต่ไม่น่าจะป ร, ะรารบถึงเลยกล่าวชี้เหตุที่ประพฤติอย่างนั้นโดยในยะว่าได้รับแนะนำสั่งสอนมาจากอาจารย์อย่างนั้นไม่เป็นอาบัติสิขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้ เพื่อจะห้าไม่ให้ภิกษุเป็นผู้ดื้อดึงได้รับคำแนะนำหรือตักเตือนแล้วให้แสดงความเอื้อเฟือ้อหรือเอาแต่การที่ถูกเป็นประมาณไม่ให้หม่นบุคคลผู้พูดหรือข้อที่ยกขึ้นพูดประพฤติเช่นนี้เป็นความดีงาม ปาจิตติสุราปานวัคสิกขาบทที่ห้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดหลอนภิกษุเป็นปาจิตตีกิริยาว่าหลอนนั้นคือพูดก็ดีแสดงอาการอย่างอื่นก็ดีให้ตกใจกลัวผีพูดขู่ให้ตกใจกลัวโจรกลัวสัตว์ร้ายท่านนับเข้าในกิริยานี้เหมือนกัน ผู้ถูกหลอนจะตกใจหรือไม่ตกใจไม่เป็นประมาณหลอนอุปสมบันต้องป่าจิตตีหลอนอนุปสมบันต้องทุกข์กดไม่ตั้งใจจะหลอนเล่าเรื่องปีศาจบอกข่าวโจรข่าวสัตว์ร้ายไม่เป็นอาบัต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 การผิงในที่ทำไว้สำหรับซึ่งเรียกว่าเรือนไฟห่างจากจอันตรายเช่นนั้นจึงได้ทรงพระอนุญาตสมเร็จความสันนิฐานว่าผิงในเรือนไฟไม่เป็นอาบัตผิงในที่อื่นนอกจากเรือนไฟเป็นอาบัตเว้นแต่ภิกษุผู้อาพาธไม่อาจเว้นจากผิงไฟได้การติดไฟเพื่อกิจอย่างอื่นจำเป็นแท้จึงได้รับยกเว้น ปาจิตติสุราปานวรกสิกขาบทที่เจ็ดว่าอ น, นึ่งภิกษุใดยังย่อนกึ่งเดือนอาบน้ําเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตินี้สมัยเรื่องนั้นเดือนกึ่งท้ายฤดูร้อนเดือนต้นแห่งฤดูร้อนสองเดือนกึ่งนี้เป็นกล่าวร้อนเป็นกราวกระวนกระวายกราวเจ็บไข้กราวทําการงาน กล่าวไปทางไกลกล่าวฝนมากับพายุนี้สมัยในเรื่องนั้นสิกขาบทนี้ท่านว่าเป็นประเทศบัญญัติคือทรงตั้งไว้เฉพาะในมัธยมประเทศจังหวัดกลางแห่งชมพูทวีปเอตต้นบัญญัตินั้นในนิทานคือที่มาต้นเรื่องกล่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแควนมคต จะเสด็จลงสนานพระเศียนเกล้าในแม่น้ำตะโปธาพวกภิกษุไปอาบกีดขวางอยู่เสียจนค่ำแต่ในที่อื่นทรงอนุญาตที่อาบน้ำได้เป็นนิตยะคือเป็นนิทในปัจจันตาชนบทคือถิ่นแคว้นชายแดนนอกมัชิมาชนบทออกไปนอกเขตมัธยมประเทศตามความนิยมของพวกคนในชนบทเหล่านั้นอันถือว่าไม่อาบน้าสกป ร, รก เรื่องห้ามอาบน้ำนี้แปลกมากแม้ไม่เกี่ยวกับพวกเราผู้อยู่ในจังหวัดที่ได้อนุญาตก็น่าจะคิดหาเหตุธรรมเนียมของพรามก็อาบน้ำวันหนึ่งถึงสามครั้งฝ่ายพวกภิกษุต่อกึ่งเดือนจึงอาบได้หนหนึ่งมีสหมว ม, มนักหรือข้าพเจ้าเข้าใจไปว่าสิกขาบทนี้จะบัญญัติเฉพาะประเทศที่อัตคัดน้าเฉพาะการที่กันดา น, น้า เช่นในประเทศดอนในกราวฤดูแลงปาจิตตีสุราปานวักสิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดได้จีวรมาใหม่พึงถืออวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวกรามก็ได้ตมก็ได้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 เพื่อจะได้จําได้ว่าของตนส่วนในตัวสิกขาบทเองเพ่งความทรมมิเสียสีอนุโลมตามลูกขับปฏิบัติคือพระพฤติปอนใช้ของเศร้ามองคำว่าถือเอาวัตถุสำหรับทรมิเสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นในอัธกถาสอนให้จุดเป็นวงกลมใหญ่เท่าแววตานกยูงเล็กเท่าหลังตัวเลือด เรียกว่าทำพินทุกกับปะแปลว่าจุดกลมหรือดวงกลมข้อที่ท่านสอนให้จุดเป็นวงกลมนั้นเช่นเดียวกับวิธีขีดแกงใดอันคนเขียนหนังสือไม่เป็นใช้อยู่แกงใดคือรอยกากบาทหรือขีดเขียนซึ่งคนมีรู้หนังสือขีดลงไว้เป็นสาคัญข้อที่ท่านสอนให้จุดเป็นวงกลมนั้น เช่นเดียวกับวิธีกีดแกงใดอันคนเขียนหนังสือไม่เป็นใช้อยู่ในเวลานั้นพวกพระกก็คงไม่สันทัดเขียนหนังสือเหมือนกันภิกษุได้จีวรมาใหม่ต้องทำหมายก่อนจึงนุ่งห่มได้เมื่อทำไว้แล้วรอยหายสูญไปไม่ต้องทำใหม่เอาผ้าอื่นเย็บติดกับจีวรที่ทำหมายแล้ว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 เรื่องนี้ตกมาถือเป็นพิธีเสียแล้วจึงไม่มีใครนึกมัวขีดแกงใดดังสอนไว้ในอัตถะถาเรื่อยมาปาจิตตีสุราปานวั์สิกขาบทที่9ก้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดวิกับจีวรเองแก่ภิกษุก็ดี แก่พิษุนีก็ดีแก่นางศิกขามานาก็ดีแก่สามเณรก็ดีแก่นางสามเณรีก็ดีแล้วใช้สอยจีวร น, นั้นไม่ให้เขาถอนก่อนเป็นปาจิตตีนางสามเณรีนั้นคือหญิงโดยมากอายุยังไม่ครบย0สบรับบรรพชาในสำนักภิกษุนีถือศิกขาบทสิบเหมือนสามเณร นางสิกขามานานั้นคือนางสมนเนรีนั่นเองแต่อายุถึงส8บแปดแล้วอีกสองปีจะครบกำหนดอุปสมบทพิกษุณีสง์สวดให้สิกขาสมมุติคือยอมให้สมทานสิกขาบท6กประการตั้งแต่ปานาติปาตาเวรามณีจนถึงวิกาลโพชนาเวรามณีไม่มีเวลาล่วงเลยตลอดสองปีเต็มถ้าล่วงข้อใดข้อหนึ่ง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 คือวิกับต่อหน้าและวิกับลับหลังวิกับต่อหน้านั้นคือวิกับต่อหน้าผู้รับว่าดังนี้อิมังจีวรังตุยหังวิกับเปมิแปลว่าข้าพเจ้าวิกับจีวอนผืนนี้แก่ท่านหลายผืนว่าอิมานิจิวรานิแทนอิมังจีวรัง อยู่นอกหัตถบาทคือช่วระยะเหยียดแขนออกไปถึงอยู่นอกหัตถบาทว่าเอตังแทนอีมังว่าเอตานี้แทนอีมานีวิกัพรับหลังนั้นคือวิกัพให้สรธรรมมิกรูปใดรูปหนึ่งผู้ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเปล่งวาจาต่อหน้าสหธรรมมิกรูปอื่นว่าอีมังจีวรังอิทันนามะสะ วิกัปเปมิแปล ว, ว่าข้าพเจ้าวิกัปจีวรผืนนี้แกสหธรรมิกชื่อนี้ถ้าวิกัปแกภิกษุต่างว่าชื่อคือตัวอย่างว่าชื่ออุตระก็ออกชื่อว่าอุตราศาพิกุโนหรืออายะสมะโตอุตราศาแทนอิทันนามสศ โดยสมควรแก่ผู้รับอ่อนกว่าหรือแก่กว่าแต่ในคำพีวิพังท่านว่าวิกับอย่างหลังนี้ก็จัดว่าวิกับต่อหน้าท่านแสดงวิกับรับหลังนั้นเข้าใจยากทวงทีดูเหมือนจะฝากภิกษุที่สองให้ช่วยวิกับกับภิกษุที่สามแต่พูดไปพูดมาก็ไม่พ้นจากวิกับต่อหน้านั่นเองคือทาพิธีเสร็จกัน ในระหว่างสองรูปนั้นรูปที่สามไม่รู้ไม่เห็นด้วยจีวรที่วิกับไว้แล้วอุรบยังไม่ได้ถอนอาไม่ให้ใช้สอยนุ่งห่มด้วยสิกขาบทนี้ถอนแล้วจึงใช้ได้คำถอนว่าอิมังจีวรังไมหังสันตะกังปริกุลชวาวิสัชเชยิวายะาปัจจยังวากรโรหิ ถ้าพูดถอนอ่อนกว่าว่าดังนี้อิมังจีวรังไมหังสันตะกังปารีพุนชัฏทวาวิสัชเชทวายะถาปัจยังวากรโรธะความเดียวกันเป็นแต่ใช้แสดงเคารพแปลว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าท่านจงใช้สอยก็ตามจงสลากก็ตามจงทำตามปัจจัยก็ตามคำถอนรับหลัง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 เสังสันตะกังเปริกุญชาวาเปยานแปลว่าท่านจงใช้สอยของเธอทั้งหลายก็ตามในที่นี้ท่านละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับดูเหมือนแสดงว่าเธอทั้งหลายยังเป็นเจ้าของอยู่คำถอนตอนหน้าที่ผูกขึ้นตามนั้นก็ยังไม่ปล่อยความเป็นเจ้าของเหมือนกันความเข้าใจเสียว่าวิกับเป็นวินัยกรรม คือทำไปตามธรรมเนียมไม่ได้เพ่งอัทธรสพิจารณาแต่พยัญชนะจึงพาให้เข้าใจต่างกันไปเพ่งถึงอัทธรสการวิกัพนั้นก็คือทําให้เป็นของสองเจ้าของคําว่าถอนนั้นในคราวแรกน่าจะหมายความว่าถอนจากความเป็นเจ้าของตกมาเป็นอติเรกจีวรจริง อดีเรกจีวรหรืออดีเรกจีวรหมายถึงจีวรนเหลือเฟือผ้าส่วนเกินหมายถึงผ้าที่เข้าถวายภิกษุเพิ่มเข้ามานอกจากผ้าที่อธิษฐานเป็นตรจีวรและมิได้วิกับไว้แต่เมื่อความเข้าใจของทั้งสองรูปนั้นว่าเป็นของวิกับยังมีอยู่คำถอนนั้นก็เป็นเหมือนคำอนุญาตให้ใช้สอยเป็นต้นนั่นเอง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 ถ้าไม่ปล่อยจากความเป็นเจ้าของชื่อว่าไม่เป็นอันทอนคำนี้ชอบอยู่ถึงอย่างนั้นใช้สอยจีวรที่ผู้รับวิกับอนุญาตไว้ยังนับเข้าในฐานว่าใช้สอยด้วยวิสาสะได้อยู่ไม่เป็นอาบัต ปาจิตตีสุราปานวักสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดสอนก็ดีให้สอนก็ดีซึ่งบาทก็ดีจีวรก็ดีผ้าปูนั่งก็ดีกล่องเข็มก็ดีประคตเอวก็ดีแห่งภิกษุโดยที่สุดแม้หมายจะหัวเราะเป็นปาจิตตีเพราะในสิกขาบทระบุบริขาร